พวกเรามารวมกันอยู่ที่นี่ด้วยใจที่น้อมไปสู่การทอดกระถินในสมัยอดีตการเลยเนี่ยสมัยพุทธกาลนะคะพระอาจารย์ขาการทอดกระถินแล้วเนี่ยนิยามไว้จริงๆคืออะไรบ้างค ะ, ะก็จริงๆเป็นเรื่องของการเปลี่ยนผ้าของภิกษุผู้ที่จำพรรษา ครบต้นใจมากในอาว่านั้นในเขตเสมานั้ น, เ, นเขตที่อยู่ของพิกูุน์เนี่ยเลขเขตเสมาหรือเขต ส, สีมานะซึ่งพิสูจน์กำหนดเขตเองได้ถ้าเป็นที่ที่ไม่มีเจ้าของถ้าที่ที่มีเจ้าของก็ขออนุญาตเจ้าของนั้นก่อนนะเมื่อจำพรรษาครบสามเดือนแล้วเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าก็าต้องการให้เกิดสังฆสามาธิกันขึ้นก็คือ ภิกษุรูปใดที่มีจีวรเก่าคร่ำคร่านะภิกษุรูปนั้นก็จะได้รับเลือกเป็นตัวแทนของสงฆ์ในการที่จะได้รับการเปลี่ยนผ้าคณะสงฆ์ทั้งหมดเนี่ยจะช่วยกันทาผ้ า, าจีวรสังฆติหรือว่าสบงให้กับภิกษุรูปนั้นถ้ามีเหตุว่าญาติโยม อ, อุบาสกปัสกาท่านใด มาถวายผ้าถ้าไม่มีก็คือไม่ต้องมีถ้ามีก็จะมีเหตุให้ภิกษุได้ประชุมกันเพื่อตัดเย็บย้อมให้กับภิกษุรูปที่มีจีวรเก่าคร่าค่านะเรื่องหลักๆ ก, ก็เป็นเป็นเรื่องเท่านี้แล้วก็พระศาสดาจะให้อ น, นิสง์กับภิกษุที่จําพรรษาครบถ้วนไตรมาสแล้วก็ได้กระทํากรถินเนี่ยให้ลดหย่อนพระวินัยนะ อีกประมาณห้าข้อเนี่ยขยับขึ้นไปอีกนะหเดือนอันนี้สงกระถินเดือนหนึ่งแล้วก็อนนสงของอันนี้สงจำพรรษาเดือนหนึ่งอันนี้สงกระถินอีกสี่เดือนรวมเป็นห้าเดือนนะเช่นว่าจะไปไหนไม่ต้องบอกลาปกติพระจะไปไหนต้องบอกลาพิสุในอาวาชนะหรือว่าจะไปไหนเนี่ยปกติต้องมีจีวรครบสหรับสามผืนแต่ ถ้าได้นิสงกระถินแล้วไม่จำเป็นนะต้องมีจีวรครบสำรับก็ได้อย่างนี้นะอ่าก็ <c oughs> ส่วนอนิสงของญาติโยมก็คือเป็นการถวายทานที่ในปีหนึ่งมีครั้งเดียว <c oughs> นะเป็นการาทานนะอะ่ไม่ค่อยมีโอกาสที่จะกระทำได้ง่าย <c oughs> นะส่วนภิกษุผู้รับผ้าเนี่ยจะมีเพียงรูปเดียว นะส่วนผู้ถวายเนี่ยพระศาสดาไม่จํากัดเพราะโดยหลักแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยบอกว่าผู้ใดห้ามผู้อื่นให้ทานผู้นั้นชื่อว่าไม่ใช่มิตรนะใครให้ทานเราจะไม่ห้ามเพรานะนั้นณนะวันนี้จึงมีเจ้าภาพประมาณ800กว่าเจ้าภาพจริงๆ <c oughs> ก็คือเป็นถ้าจะใช้คำพูดที้ถูกต้องก็คือเป็นผู้ที่แสดงเจตน า, าจะถวายผ้ า, านะ ผู้แสดงเจตนาถวายผ้าในช่วงหลังออกพรรษาไปหนึ่งเดือนเนี่ยเราจะเรียกผ้านั้นว่าผ้ากฐินผ้ากฐินอ่ะเรียกว่าพระองค์จะบอกว่าเป็นรืดูถวายจีวรและฤดูทาจีวรก็คือให้พระเนี่ยทำจีวรได้ในหนึ่งปีเนี่ยเพียงหนึ่งเดือนอนะจะถวายผ้าจะทำจีวรให้หนึ่งเดือนเท่านั้นในหนึ่งวงรอบปีค่ะ แต่อย่างโยมนี่ช้อปปิ้งได้ทั้งปีเนาะทั้งปีค่ะแล้วปีนึงได้หลายๆวันด้วยค่ะใช่ใค่ะวันหนึ่งอาจจะหลายครั้งโอนมากเลยค่ะแต่ว่าพรานี้แต่พราี้ทำได้เดือนเดียวใช่แต่นอกจากหนึ่งเดือนก็มีโอกาสเหมือนกันพระองค์เรียกว่าถ้ามีจีวรฉิบหายก็คือถูกไฟไหม้อ่าจนลักพาไปน้ําท่วมพัดพาไปค่ะพระไม่มีจีวรอันเนี้ย ญาติโ ย, ยมสามารถที่จะนําผ้ามาถวายได้อนอกจากหนึ่งเดือนในหนึ่งปีนี้เพราะฉะนั้นอีก11เดือนที่เหลือเนี่ยพระศาสดาจะเรียกว่าอการจีวร อ, อการจีวรการแล้วก็อาการาอาการคือไม่ใช่การไม่ใช่การที่จะถวายจีวร น, นะเรียกว่าเป็นจีวร น, นอกการาจีวร น, นอกการเนี่ยก็พระองค์ให้รับได้เมื่อรับแล้วเนี่ยพระองค์ให้เก็บไว้ได้เดือนหนึ่ง เป็นอย่างยิ่งก็คือบางทีเนี่ยโยมถวายผ้าไม่ได้พอกับที่จะตัดเย็บเป็นจีวรค่ะพระก็ทำยังไงอ่ะก็รอความหวังต่อว่าเผื่อจะมีใครมาถวายเพิ่มมาต่อผ้าเพิ่มมาต่อผ้าเพิ่มแต่ให้คอยความหวังได้แค่หนึ่งเดือนถ้าหนึ่งเดือนแล้วยังไม่มีใครมาถวายผ้าเพิ่มไม่พอจบเลยค่ะใช่ผู้เจ้าบอกว่าให้สลัผ้านั้นทิ้งไปซะหยุดละพอละอ่ เดี๋ยวจะเป็นปริพอดปริพอดเรียกว่ามีความกังวลค่ะเดี๋ยวจะไม่ได้ภาวนามัวแต่กังวลผ้ามัวกังวลผ้านะเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วสามารถใช้ผ้าในหนึ่งเดือนนั้นเนี่ยมาต่อเองได้ไหมคะใช่ปะปะชุนเองได้หมใช่ใช่ก็ต้องใช้ผ้าปะไปเรื่อยๆรทีแก่อนค่ะทีนี้ในการปฏิบัติของคารวาสเนี่ยค่ะมีความตั้งใจในการถวายพระพิจจวรนะคะหรือว่าในการทอดกรถิน โดยปกติแล้วคววารวะควรทําสิ่งใดในวันที่ถวายอย่างวันเนี้คะ่ะบางทีเรามาเราก็เราตั้งใจดีนะคะพระอาจารย์คะ่ะแต่ว่าบางอย่างเราไม่มีความรู้พ อ, อเราควรทําอย่างไรบ้างคะ <c oughs> ก็ไม่ไม่มีอะไรก็คือ <c oughs> เพียงนําผ้าเนี่ยมามาถวายแก่ภิกษุค <c oughs> นะ่ะนะอ่านั่นถ้ายอดโยมแค่คนสองคนมาถวายก็ขึ้นมาถวายได้เลยน ะ, ะแต่เนื่องจาก ปีต่อปีไปเรื่อยๆยติโยมมากขึ้นมากขึ้นนะาจากสององสปีที่แล้วนะยอดโยมมากรถิ่น2000กว่าขึ้นเป็น 5,000 ขึ้นเป็หมื่นหนึ่งขึ้นเป็นหมื่นกว่ า, าขยับขึ้นไปเรื่อยๆเราก็เลยต้องมีการปรับวิธีเพื่อจะให้เกิดความกระชับแล้วก็รวดเร็วเพราะหลังจากถวายผ้าแล้วเนี่ยพระจะต้องนําผ้าที่พวกเราถวายทั้งหมดเนี่ย ไปตัดเย็บย้อมเป็นชีวอนเพื่อมาครองแล้วต้องให้เสร็จก่อนอารุณ์ใหม่ขึ้นก็มีเวลาบีบนิดหนึ่งภายในวันเดียวนวันเดียวนะคแล้วก็หลังจากที่อย่างนี้เขาก็เรียกว่าบุญใหญ่เหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์ก็ก็เป็นเป็นบุญที่ทำได้ในโอกาสเดียวในหนึ่งวงรอบปีในเขตเสมานั้นทำได้ครั้งเดียวแล้วก็จบส่วนผ้าที่เหลือนั้นเนี่ยก็ พระรูปอื่นสามารถนำไปตัดเย็บย้อมเป็นจีวรได้แต่พระทั้งวัดไม่จำเป็นจะต้องร่วมทําให้ให้กับภิกษุรูปนั้นแล้วต่างคนต่างทําได้เพราะนั้นกรณีกระถินน่นจะเป็นกรณีเดียวที่พระทั้งวัดจะต้องร่วมมือกัน ท, ทําจีวร น, นั้นให้สำเร็จภายในวันนั้นมนะเมื่อสำเร็จแล้ว ขั้นตอนเนี่ยพระศาสดาจะบัญญัติไปหมดว่าจะต้องมีการาวัดผ้ากะผ้าตัดผ้าเอาไปซักเอาไปเย็บเอาไปย้อมานะการย้อมก็ย้อมด้วยน้ำฝาดน้ำที่ได้จากเปลือกไม้แก่นไม้ลูกไม้ใบไม้เราจะใช้จากเปลือกมังคุดกับแก่นขาวหนุนพอซักย้อมเสร็จแล้วก็จะเป็นขั้นตอนพิธีกรานกรถินกากรินกาน ก, ะนกรนกะถินจะหมายถึงว่าเป็นขั้นตอนที่ พระสงฆ์คณะสงฆ์เนี่ยทําผ้าเสร็จแล้วแล้วมอบผ้านั้นให้กับภิกษุผู้ที่คณะสงฆ์เนี่ยท่าเลือกเป็นตัวแทนที่มีจีวรเก่าส่งมอบผ้าคภิกษุที่มีจีวรเก่าค่ำค้ารับมอบจีวรนั้นมาแล้วก็จะอนุโมทนากับคณะสงฆ์คณะสงฆ์ก็จะอนุโมทนากับต่อกันไปมาอย่างนี้ เสร็จแล้วพระรูปที่ได้รับผ้าก็จะถอนอธิษฐานผ้าของตัวเองออกอแล้ว อ, อธิษฐานผ้าใหม่นั้นเอามาครองแทนอ๋อต้องมีการอธิษฐานด้วยเพรา ะ, ะนั้นผ้าที่พระใช้ทุกผืนเนี่ยจะต้องมีการอธิษฐานะนะเพราะฉะนั้นท่านจะเรียกว่าปฏิทินถอนอธิษฐานผ้าผืนเดิมของท่านะนะถอนออกไปว่าจะไม่ใช้แล้วคแล้วรับผ้าใหม่นั้นมาเนี่ย อธิษฐานเป็นผ้าที่ตนเองจะใช้ต่อไปอขั้นตอนเหล่านี้มอบผ้าให้ถอนผ้ากาวรับผ้าใหม่อนุโมทนาการทั้งสองฝ่ายขั้นตอนนี้เรียกว่ากรานกระถิน่ น, นอันนี้ เ, เป็นความรู้เรื่องของกรถินนะคะแล้วเคยมีเหตุการณ์ในสมัยอดีตบ้างไหมคะมที่เป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่าเคยมีเหตุเกิดขึ้น Uh huh. ในช่วงของการทอดกะถิน่น uh huh. เคยมีบ้างไหมคะ ว, ว่าแบบเช่นคารวะบางท่านตั้งใจในการทอดกะถินมากแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรตามมาหรือบางท่านไปทำผิดในช่วงนี้แล้วมีอะไรตามมาอย่างนี้มีไหมคะไม่คยมีอะไรนะจะมีแต่ว่ า, าเช่นว่าถ้าคารวะผู้นั้นเนี่ยไม่สามารถมาในกำหนดของวันกระถินได้ที่ตั้งเอาไว้ เช่นอาจจะต้องไปต่างประเทศไปลบทับจับศึกในครั้งพุทธกาลก็จะมีการขออนุญาตมาถวายผ้าก่อนพร<อ>ะสัสดาก็ อ, อนุญาตให้ภายในสิบวันก่อนวันกระถิน่น อ, อย่างนี้นได้สิบวันจีวรตรงนีจ้จะเรียกว่าอัดเจกะจีวรจีวรเร่งด่วน มีมีมีเหตุเหมือนกันนะคะ <c oughs> มีเหตุเหมือนกันค่ะเพราะนั้นจะมีการอนุโลมจะมีตามเหตุปัจจัยต่างๆาาเพราะฉะนั้นระเบียบในบัญญัติเนี่ยก็ไม่ได้ฟิกจนแบบว่าขยับอะไรไม่ได้ค่ะพระศา ส, สดาจะมีเหตุผลนะนะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะพระท่นทษนะคะแปลว่าขยับได้แต่มีระเบียบวางไว้เลยว่าขยับได้เท่านี้เท่านี้ใช่ใช่ วันนี้จะเห็นว่าอย่างที่พี่ติ๋วบอกคะ่ะพระอาจารย์ขาวว่าหลายๆท่านมีความกังวลว่านาท้วมไหมก็เลยอาจจะส่งปัจจัยหรือว่าการทอดกรถิ่นส่งต่อเพื่อนกันมาอย่างนี้ทำได้ไหมคะ <ทำ S 1> พระอาจารย์ทำได้ยะค <c oughs> ่ะคือในงานกรถินเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือต้องมีผ้า <c oughs> ถ้ามีผ้าถือว่าสำเร็จงานกถินอย่างอืองไม่มีก็ได้แต่ยางอื่นจะมี ใจอย่างอื่นอุปกรณ์เข้าของต่างๆมีได้ไม่ได้ผิดอะไระเพราะพระสัสดาไม่ให้ห้ามบุคคลให้ทานนะใครจะให้ทานบอกอย่าไปห้ามเขาบอกอพระองค์บอกว่าแม้แต่เทเศษน้ำล้างหม้อลงในน้ำโสโครกด้วยหวังจะให้สัตว์เล็กๆได้กินก็ยังเป็นทางมาแห่งบุญฉะั้นเลยจะทำกับมนุษย์ได้กันะนะ ผู้ใดห้ามผู้อื่นให้ทานผู้นั้นชื่อว่าเป็นอมิตรคือไม่ใช่มิตรเป็นการทำอันตรายต่อรากของปฏิคาหกผู้รับทานและตัวเองก็เป็นการขุดรากตัวเองด้วยแทนที่ตัวเองจะได้นิสง์ก็จะไม่ได้ด้วยะน ะ, ะเป็นอย่างนี้นะคะ อ, อันนี้เป็นความรู้ที่เราได้รับทราบกับพระอาจารย์ในวันนี้ทีนี้ค่ะปติเชิญค่ะพี่ก็ไม่มีอะไรแต่ว่าถ้าให้โอกาสอย่างนี้ก็จะกลับเรียนเสริมแทนท่านทั้งหลายนะคบเพราะว่าบางคนก็ อาจจะมีญาติที่อยากให้มามากเลยแล้วเข้ามาไม่ได้แล้วท่าอาจารย์ก็บอกได้เพราะว่าถ้านกฐินเนี่ยมีผ้าก็ถือว่าเป็นสำเร็จแล้วสำเร็จประโยชน์แล้วเพราะนั้นการที่คนตั้งใจสมัยใหม่นี่เขาก็โอนเงินด้วยหลายวิธีอย่างนี้บุญได้ตรงไหนครับอาจารย์ตอนไหนบุญได้ที่เจตนาอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมนะเพราะนั้นการที่ เรามีเจตนาที่จะถวายผ้านะแล้วจะส่งผ่านด้วยวิธีใดก็ตามสําเร็จที่เจตนาแล้วนะอ่าแต่ถ้าเราสามารถที่จะมาถวายด้วยตนเองก็จะมีอนิสงส์เพิ่มขึ้นมาน ะ, ะเช่นว่าอ่าการให้ด้วยศรัทธาการให้ด้วยความนอบน้อมการให้ด้วยมือของตนการให้ของที่ไม่เป็นเดนเห็นผลที่จะพึงมาถึงเราให้ ซึ่งอันนี้สงที่จะพึงได้เนี่ยพระาศาสดาบอกว่าจะเป็นผู้มีโภคามากมีทรัพย์มากมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์มาก<ฆ>นะและจะเป็นผู้ที่มีรูปร่างงามผิวพรรณงามนะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คื อ, อคนทรัพย์ของเขาเนี่ยจะไม่เกิดอันตรายจากภัยต่างๆภัยอันเกิดจากน้ําจากไฟจากโจรจากทายาทอันไม่เป็นที่รัก<ฆ>นะ อ น, นิสงฆ์อีกอย่าง ก, ก็คือบริษัทบริวารชนของเขาเนี่ยจะเชื่อฟังคําสั่งเขาบุตรภรรยาฆ่าทาดกรรมกรจะเชื่อฟังคําสั่งนี่คือนิสงผลของทาน<ม>ที่ปกติเราจะไม่เคยได้ยินได้ฟัง<ม>นั้นถ้าเราศึกษาคําพระผู้มีพระภาคเจ้าเราจะรู้รายละเอียดว่าความจริงสัจจ์ความจริงเป็นอย่างไรและเป็นสัจจ์ที่ไม่มีข้อผิดด้วย สาธุค่ะพระอาจารย์วันนี้พวกเราทุกท่านในที่นี้ได้ของแถมนะคะเจตนาที่มีอยู่แล้วได้อยู่แล้วแต่ว่าครบบริบูรณ์เมื่อนั่งอยู่ตรงนี้นะ ค, ะค่ะคือเหมือนกับว่าวันนี้เลยได้รู้เลยโหเราได้บุญอย่างไรค่ะเนี่ยเป็นการที่เราเข้าถึงพุทธวจนะค่ะ่ทําทให้รเราค่านนี้รูปแบบในการในการทําตรงเนี้ยเราเราได้ได้ปรับมาเพื่อให้ <c oughs> อ่า ญาติโยมวาสุบาสบาิกาได้รับอนิสงส์เท่าๆกันนะโดยปกติเนี่ยต่างคนต่า ง, ต, างต่างนําผ้ามาถวายปัญหาก็คือเมื่อต่างคนต่างนําผ้ามาถวายผ้าจะมากเกินเกินความต้องการแต่ก่็เราให้อิสระในการในการนํามาถวาย ผ้าจะมาเป็นม้วนๆเนี่ยสามสี่ร้อยม้วนแล้วเป็นปริมาณเงินเนี่ยเป็นจํานวนเป็นล้านบาทเพราะผ้าม้วนหนึ่งนี่ก็แพงมากคเราไม่อยากให้ให้เกิดการสูญเสียสูญค่าทางเศรษฐกิจมากเกินไปนะเราก็เลยปรับว่า่าทางทางวัดที่จะจัดเตรียมผ้าให้เพื่อให้มันเกิดความพอดีอนะไม่มากเกินไปะนะแล้วก็การที่ เราจะมาแกะผ้าทุกม้วนในการทําเนี่ยมันจะใช้เวลาหลายชั่วโมงมากเพราะเราต้องการให้ผ้าของทุกท่านที่มาถวายเนี่ยได้นำมาตัดเย็บย้อมเป็นผืนจีวรจริงๆให้ทุกคนเนี่ยที่นำผ้ามาได้ตัดเย็บจริงๆซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาเพียงแต่เลือกมาม้วนใดม้วนหนึ่งแล้วเอาไปตัดใช่แต่ทันนี้เราก็เห็นว่าเอเราอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เราก็เลยจัดเตรียมผ้าให้เพราะฉะนั้นผ้าของผู้แสดงเจตนา ที่จะถวายที่ถือกันอยู่เนี่ยจะสังเกตว่าจะมีผ้าผืนเล็กๆเนี่ยเนบเอาไว้นิดหนึ่งและเมื่อถวายแล้วเนี่ยพระจะดึงผ้าผืนเล็กๆตรงนั้นมาเย็บต่อกันให้อยู่ในจีวรผืนเดียวนะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าทุกท่านเนี่ยผ้าของทุกท่านจะได้มีส่วนร่วมนะในจีวรผืนนี้ทั้งหมดนะพยายามหาหาวิธที่รวดเร็วด้วยและทุกท่านได้นิสัพร้อมๆกันด้วย ส่วนการถวายผ้าก็เนื่องจากเพื่อให้เกิดความรวดเร็วก็เลยในปีนี้ปรับว่าเราจะทอดผ้าซึ่งเป็นของเนื่องด้วยจกาย ต, ต่อจากตัวพระแล้วก็ยาวไปที่โต๊ะแล้วก็พอถึงเวลากล่าวถวายเสร็จแล้วพระอุปโลกเสร็จแล้วเนี่ยญาติโยมก็เพียงแต่อซ้ายหันขวาหันกลับรลเดินมาเอาผ้ามาวางไว้บนโต๊ ะ, ะใช่ไหม พอวางไว้เรียบร้อยก็ถือว่าถวายเรียบร้อยแล้วก็หันหลังไปอ่าใช่ใชออมันก็เป็นวิธีปฏิบัติตามนี้เลยนะคะจะจะเร็วขึ้นค่ะเร็วขึ้นกระชับขึ้นค่ะนะเข้าใจเลยค่ะพระอาจารย์เพราะว่ามาครั้งแรกด้วยค่ะแต่ไม่ทราบว่าอาจจะมีบางท่านที่มาครั้งแรกเหมือนกันหรือเปล่าหรือว่าบางท่านก็มาทุกปิดอยู่แล้วทําให้เราเข้าใจว่าอ๋อนี่คือวิธีการจัดการบริหารว่าทําไมที่นี่จึงแก่เข้ามานี่นะครับ ไตมานของคนที่มาทำบุญเยอะแต่ได้เห็นภาพอันสงบมากซึ่งอันนี้แบบรู้สึกใจล่มตั้งแต่ได้ก้าวเข้ามาเลยค่ะพระอาจารย์าาก็คิดว่าทุกคนมาด้วยความศรัทธาค่ะ<า> แ, แล้วก็อีกอย่างหนึ่งบริษัทของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเพราะพระองค์บอกว่ามีคนสังเกต<า>ว่าพระเจ้าเปรตที่โกศล มีความทิ้งมากว่าบริษัทของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นบริษัทที่มีเสียงเงียบอแืแต่ใหนูเป็นคนบริวายแค่ไหนพระอาจารย์คะหนูเดินเข้ามาหนูต้องเงียบเลยค่ะโปรดตัวส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อเป็นเป็นพุทธบริษัทเป็นบริษัทที่เงียบใช่ขนาดพระองค์เนี่ยอยู่แวดล้อมด้วยพิกษุห้าร้อยเนี่ยปรากฏไม่มีเสียงเลยนะอคนพาไปหา พระพุทธเจ้าบอกว่าไหนว่าพระเจ้าอยู่กับพิสูจน์ห้าร้อยทำไมเงียบจังในป่าค่ะพอไปเจอจริงๆโอ้โหอยู่กับพระเต็มเลยออืก็เลยทึ่งมากค่ะอ่าอย่างนี้อย่างนี้โดยที่เราอยู่กันด้วยความสงบไงคะพระอาจารย์บางคนอย่างไก่อาจจะเป็นคนที่เอาละ่ะเราเห็นคนอื่นสงบเราตั้งใจสงบในขณะที่บางคนมีกิจปฏิบัติอย่างนี้เป็นนิด คือนั่งสมาธิสวดมนต์มีความสงบอยู่ด้วยพื้นของใจการได้อ น, นิสงส์ของความสงบเนี่ยมันช่วยหล่อหลอมเราด้วยไหมคะถึงแม้ว่าเราไม่ได้เป็นผู้ที่สวดมนต์ทำสมาธิอะไรมาก่อนมันช่วยได้ไหมอ๋อช่วยได้อันนี้เรียกว่ า, าจิตของเราเนี่ยขอให้มีความสงบเพียงชั่วลัดนิ้วมือพระองค์ก็สันเสริญแล้วแค่ยอมเอาจิตเนี่ยตั้งอยู่กับกายคือลมหายใจ หรือว่านั่งหรือว่านั่งเดินหรือว่าเดินยืนหรือว่ายืนนอนหรือว่านอนแค่นี้นะแค่ชั่วลัดนิ้วมือพระองค์ก็บอกว่าผู้นั้นเนี่ยเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทําตามคําสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทแล้วค่ะนะแล้วจะเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งปัญญานะให้ได้มาซึ่งสมาธิอได้มาซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค่อยๆเป็นไปอืนั้นพระองค์บอกว่า การได้ความวิเวกเนี่ยนะการได้สุญยากลาววัดหรือความวิเวกทางจิตเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่ถ้าเธอปรารถนาสิ่งใดเธอจะได้สิ่งนั้นตามความปรารถนาแล้วยอย่างนี้ขออนุ ญ, ญาตถามต่อนะคะพอหนูก้าวออกจากวัดปุ๊บหนูก็ไปสู่ในโลกที่มีความวุ่นวายมีความคิดพลุ่งพลานตลอดเวลามีเวลาเป็นตัวจากัดเมื่อเราออกจากความวิเวกซึ่ง มีปัจจัยแวดล้อมเป็นวัดที่ช่วยให้แล้วกลับไปอยู่ในเมืองซึ่งมีความวุ่นวายอันนี้เราจะทำอย่างไรดีคะเพื่อให้เราได้น้อมใจไปสู่ความดีในท่ามกลางความวุ่นวายอ๋อพระองค์เรียกว่ากายไม่ออกแต่จิตออกอก็คือกายอยู่ในความวุ่นวายแต่จิตเขาออกได้ก็คือเขาเอาจิตเนี่ยมาอยู่กับหนึ่งการงานที่ทำค่ะ พระองค์เลียกสติอธิษฐานการงานอนุสติฐานที่หกที่ตรัสไว้กับพระอานนท์เพียงแค่โยมตั้งใจทำงานพระองค์ชื่อว่าคนคนนั้นมีสติสัมปชัญญะแล้ว<อ>น ะ, ะหรือว่าเอาจิตมาอยู่กับ ก, บการเคลื่อนไหวอิริยบถก็ชื่อว่าเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะหรือถ้าไม่ได้ทำงานอะไรน ะ, ะเราอยู่ท่ามกลางพระองค์บอกว่าพระองค์แวดล้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกาพระราชามาหามาด นะเดลถีสาวกของเดลถีแล้วก็ตามแต่พระองค์ก็ชื่อว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียว ค, คือพระองค์ตั้งไว้ซึ่งกายยคตาสติอยู่กับลหมหายใจเข้าออกอมไม่ไดนะ้นะเพราะนั้นถึงกายไม่ออกแต่จิตออกได้จิตเราหาความวิเวกได้ะนะด้วยการเอาจิตอยู่กับกายความคิดเราจิตเราจะไม่ฟุ้งไปกับความคิดมันเป็นอดีตอนาคตสุขหรือทุกข์ก็ตามนะไม่ฟุ้งไปกับเสียงที่ได้ยิน อาจจะกำลังพูดถึงเราแล้วมันไม่ใช่อยากเถียงค่ะพระอาจารย์ อ, าา อ, อันนั้นก็จะไม่ฟุ้งไปทีนี้ถ้าเรามีการฝึกฝนให้จิตแยกออกจากกาย ต, ต่อไปเราก็จะเริ่มเป็นคนที่พูดน้อยอยอาาเองอยู่กับการงานแล้วถ้าเกิดว่าดูแปลกแยกจากกลุ่มทื่นค่ะพระอาจารย์คะเ <อา S 2> ขากําลังแบบว่า เฮลโลกันสนุกสนานแย่คนนี้ดูนั่งมีสมาธิดูดูหนูมีสุขนิ่งเลยค่ะดูแบบว่ากำลังอยู่กับกับการงานอย่างนี้เราจะวางใจอย่างไรให้ไม่สึกไม่รู้สึกว่าเป็นคนแปลกแยกดีครับอาจารย์ก็เป็นอย่างนี้แรกๆการทำเนี่ยอาจจะรู้สึกอย่างนั้นนะแต่เมื่อทำไปแล้วมีความชำนาญแล้วเนี่ยเราจะรู้การอันควรจะว่าพูดน้อย ก็ไม่ใช่คือพูดต้องพูดพอดี<า>และการพูดของพระาศาสดาเนี่ย พ, พูดอย่างมีสติก็ได้นะเป็นการพูดอย่างมีสติเนี่ยมีหลายนัยยะเ<า>ช่นการไม่พูดโกหกคาหยาเพื่อเจออ้าส่อเสียด<า>นี่ก็มุมหนึ่งนะอ่าหรือถ้าระดับโสดาบันก็แค่คุมว่าไม่พูดโกหกหยมจะพูดเทหากับเพื่อนก็ได้แต่ยมไม่โกหกหนะอันนี้เป็นพื้นฐานของโซดาบันละหรือว่าขยับขึ้นไปอีกนิดนึง เรียกว่าการพูดที่ขูดกาวกิเลสพูดเรื่องมักน้อยสันเบรสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรสินสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนะอันนี้คือสิบเรื่องที่คุยแล้วจะขูดกาวกิเลสนั้นมีการพูดหลายลักษณะที่พูดแล้วนะ่ะเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะไม่ได้ขาดสตินะแต่นะก็อยู่ในการอันควรต้องดูตรงนั้นด้วยความพอดีด้วยใช่ใช่ขออนุญาตนะคะอันนี้ถามแบบทางโลกจริงๆนะคะมีแบบว่า ใช้ภาษาเข้าใจง่ายนะอาจารย์ด่าแบบมีสติอย่างนี้มีไหมคะอคือบางทีเราขายของอยู่ตลาดนะคะอาจารย์ค่ะเกิดความรู้สึกว่าคนมาซื้อของนี่ทําให้ทําให้เราเริ่มเริ่มรู้สึกว่าอยากจะพูดเตือนสติเขาแต่ว่าเราชินที่จะเตือนแบบคําด่าแต่เรารู้ว่าเราด่าออกไปแต่เป็นการด่าอย่างมีสติอย่างนี้มีไหมคะอาจารย์ออก็คือโดยหลักพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ให้พูดคำหยาบค่ะ คำหยาเพ้อเจ้อส์สเสียดนะมิบากอย่าเบาของผู้ที่พูดคำหยาบเนี่ยนะจะได้ยินได้ฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจอยู่เรื่อยๆอส่วนถ้ากระทำมากกระทำบ่อยเป็นไปเพื่อนรกกันในเดชฌานหรือเฟรดวิสัยนี่ฝึกไปบๆไม่ดีเพราะก็จะ ไ, ไปเดชฉานได้ใช่ใชอกุศลแม่นิดหนึ่งในจิตเนี่ยพระองค์ให้พยายามทิ้ง ละให้ไวที่สุดด้วย <ฮา S 2> เปรียบเหมือนไฟไหม้ผมบนศีรษะหรือไฟไหม้เสื้อผ้ า, <ฮ>าต้องรีบดับไหม ต้ององรีบดับเหมือนการพระองค์บอกอกุศลเกิดในใจนิดเดียวเนี่ยต้องรีบดับทันทีเพราะนั่นคือการเข้าไปตั้งอยู่ของวิญญาณอและเมื่อวิญญาณตั้งตรงนั้นแล้วนั่นคือที่เกิดของเราถ้าเราตายไปในขณะนั้นนั่นคือพบอันเป็นอบายของเราแล้วไปเลยทันทีใชไม่มีข้อต่อรองใช่มันมีความเสี่ยงมากนั้นเราควรจะจะพูดกับเขาด้วยด้วยเหตุด้วยผลอ่าเพราะฉะนั้น ด้วยการที่เราฝึกไปเรื่อยๆอย่างนี้มากขึ้นมากขึ้นจะทำให้เราเนี่ยเป็นผู้มีสติในการที่จะพูดออน ะ, อะเราจะมีปัญญามีความแยบคายมีความฉลาดในการใช้คำพูดมากมนะ ซึ่งคําเหล่านั้นก็จะไม่หลุดออกไปซึ่งถ้าหลุดออกไปแล้วขออนุญาตใช้คําบ้านๆคือคําด่าคําด่าถึงแม้จะแก้ตัวว่าเป็นคําด่าย่างมีสตินั่นก็แปลว่าไม่มีสติเมื่อได้ด่าไปแล้วก็คือคําหยาบคายส่อเสียดโทษเจ้าใช่ใช่เป็นคําที่ไม่เป็นคําฟูใจคําที่คนฟังแล้วเนี่ยรู้สึก หอเหี่ยวใช่เสียดพังใจหรือว่าอะไรตา อ, อะไรอย่างนี้น ะ, ะ <c oughs> แต่ถ้าเพลอไปแล้วเราสามารถทำอย่างไรได้บ้างคะถเผลไปแล้วก็ละนันทีอย่าไปสนใจกลับมาสู่ปัจจุบันและสำรวมระวังต่อไปว่าต่อไปจะไม่ทำอีกออแค่ง่าย ค่ะได้เห็นว่าตัวเองได้พูดออกไปแล้วจากนั้นก็สำรวมและบอกว่าจะไม่ทำอีกค่ะพระอาจารย์ก็รู้สึกตันนี้ที่สาไม้จะพร้อมแล้วเนาะเาื้าผ้าจะครบหมดแล้วนะท่าอาจารย์ถ้าเป็นเช่นนั้นนะคะเรายังมีน้องน่ารักน่ารักถ้าอาจารย์จะให้เขาทำอะไรกันนะคะเยาวชนชุดนี้จะให้สาธยายธรรม้าสั้นๆนะ พระสรูตรสั้นๆที่เป็นประสคัญสาคัญเป็นเรียกว่าเป็นชนะ็อตเด็ดนะจะให้ให้พวกเราได้ทราบว่าคำของพระศ า, ศาสดาเนี่ยไม่ได้ยากเกินไปแม้แต่เยาวชนเราอายุไม่เท่าไหร่เนี่ยเ็ดขวบ 8· ปดขวบเก้าขวบสิ <7 S 2> บขว <8 S 2> บเนี่ยก็สามารถที่จ ะ, ะทรงจำเข้าใจได้และถ้าเขาไม่เข้าใจอะไรเขาก็จะถามพบคืออะไราชาติคืออะไรอันนี้คืออะไร อย่างน้อยทรงจําก่อนการทรงจําคําพระศัสดาไม่มีความเสียหายพระองค์บอกอา น, นิสงส์ของการทรงจํานะใครที่ทรงจำำําคําศาสดาได้อย่างคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นแม้เธอจะมีสติหลงลืมทํากาละเธอก็จะได้ไปเกิดเป็นเทวดาและในภพของเทวดานั้นเธอจะสามารถบรรลุธรรมได้นะในภพของเทวดาคือปริญญนิพานในภพนั้นเลยค่ะ นะเพราะฉนั้นจะมี4ีลักษณะเช่น ว, ว่าตัวเองจะละลึกถึงบทแห่งธรรมที่ตนเองเนี่ยท่องได้ อ, อย่างที่2เนี่ยจะไปได้ยินภิกษุผู้มีฤทธิ์ซึ่งขึ้นไปแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัทแล้จะละลึกได้และจะบรรลุธรรมหรือพวกเทพบริษัทแสดงธรรมด้วยกันเองแล้วจะละลึกได้แล้วจะบรรลุธรรมนะหรือเทพบริษัทผู้เกิดก่อนมาเตือนถึงธรรมะต่างๆก็จะละลึกได้และจะบรรลุธรรมนั่นนี่เป็นเหตุปัจจัยว่า อนุสาสนีปฏิหารของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีประโยชน์ทั้งสิ้นขอเพียงทรงจำได้จริ ง, รงๆไม่ต้องมากแม้เพียงหนึ่งบทก็อย่างเพียงพอนะเพราะนั้นก่อนเราจะได้ฟังเยาวชนของเราสาธยายธรรมนะก็ขอนั่งสมาธิกันสักพักหนึ่งนะน ะ, <c oughs> ะสักห้านาที เพราะการทำสมาธิแม้เพียงชั่วลัดนิ้วมือพระศ า, าสดาก็บอกได้อ น, นี้สูงมากนะนั่งในท่าที่สบายท่าไหนก็ได้นะในท่าสบายๆเพียง<ม>เอา<ม>จิต<ม>ของเราเนี่ย ม, มาอยู่กับลมหายใจเข้าออกนะสำหรับผู้ใหม่จะได้ทดลองฝึกทำสมาธิสักพักหนึ่งนะสั้นๆ เพื่อให้พอเป็นแนวทางว่าเมื่อมีเวลาเนี่ยเราจะได้ทำต่อไปเพราะพระองค์เคยตรัสว่าถ้าเธอจเจริญอานาปานาสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระาศาสดาปฏิบัติตามโอวาทนะจะป่วยกล่าวไปยหญถึงเมื่อกระทำให้มากซึ่งอานาปานาสตินั้นเล่ายิ่งทามากยิ่งดี อันช่วงนี้ก็ขอให้ร่วมกันทำสมาธินะสักระยะหนึ่งทำจิตของเราให้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ต้องบังคับลมให้สั้นให้ยาวให้เบาให้แรงแต่อย่างใดปล่อยลมเป็นธรรมชาตินะไม่ต้องมีคำพูดอะไรในใจเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาว หายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงทำกายสังขารให้รำงับถ้าจิตเคลื่อนออกไปคิดเรื่องใดให้พยายามละความเพลินอย่าไหลาตามความคิดนั่นไปกลับมาอยู่ที่ลมหายใจเหมือนเดิม ความตั้งใจของเราให้ตั้งใจพอดีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเปรียบเหมือนการจับนกด้วยมือบีบแรงไปนกจะตายจับหลวมไปนกจะหลุดมือให้จับพอดีพอดีให้เราตั้งใจพอดีวางจิตพอดีรู้ลมหายใจเข้าออก ออกจากสมาธิก็ให้แต่ละท่านตั้งจิตแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายจากนั้นก็ค่อยๆออกจากสมาธิมาจากนี้ก็อยากให้เยาวชนของเราสาธยายาพุทธวจนะให้ ฟังสักค่ ะ, ค, ะคนละพศูดสองพศูดเนา ะ, ค, ะ, ะค่ะขออนุ ญ, ญาตนะคะในตอนนี้เพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายได้รู้จักเด็กๆที่บอกว่าเป็นยุวชนพุทธวัจนะของเรานะคะจะมีอยู่4ี่คนด้วยกันเป็นเด็กผู้หญิงสามคนก็มีน้องน้งนำวุ้นนั่งคนแรกตัวเล็กๆใ ก, กล้พระาจารนยน์มากที่สุดถัดไปก็จะเป็นน้องเจเดนฟานถัดไปก็น้องปาริฉัดช้างเงินน้องเฟิร์นหรือเปล่าคะ แล้วก็สุดท้ายน้องโฟกเด็กชายภูรินช้างเงินเราจะเริ่มต้นที่คนแรกก่อนรู้สึกอายุน้อยสุดต่ะมาก่อนเขาสุดใช่ไหมคะน้องน้ำวุ้นวันนี้จะสาธยายทมเรื่องกดอีทัพ ป, ปัจจยตาสายปฏิจจสมุขบาทสายเกิดสายดับเข้าใจทำเพียงบทเดียวก็พอแล ะ, จะเจริญอาณาปานสติชื่อว่าไม่เหินห่างจากฌานขอย้ิมให้พี่มีสุขนะคะ กำลังอึ้งคะ่ะท่นติ๋วคะนูม อ, องหน้าท่าติ๋วแบบค่ะป้าหนูคิดในใจตลอดชื่ที่หนูพูดมาหนูคงยังมีแน่ค่ะ่ติว๋วขออนุญาตทุกทนะคะอิมสัสหมิ่นสติอีทางโหตหิมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่มีอิมสุปต า, าอีทางอุปชติ เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมสัสหนึอาาตัติอีทางนโหติไม่สิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ไม่มีอิมสัสนีโรท า, ทางนี้โดยฉะติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปปฏิจจสมุปาค่ะ พระมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายพระมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณพระมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปพระมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายวาติณะพระมีสลายญาตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะพระมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาพระมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหา เพรามีปัญหาเป็นปัจเจกจีมีอุปทานเพราะมีอุปทานเป็นปัจจจีมีภพเพราะมีภพเป็นปัจเจจีมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจกยชารามาติเปนปัีาิเพวะทุกทาติเปนปัจเาติเพราายิึงเกีดเกิดขึ้ตินครบถจกนาเมีเจกิดขร้าิเนปัจเจกจีนีชาติราะมีิเนีนี้าติมีชาติเการอย่างนี้ เพราะความจำใคยดับไปโดยไม่เหลือแห่งอริยชนนั่นเทียนจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตระหนัเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งภาษะเพราะมีความดับแห่งภาษาจึงมีความดับแห่งเวทนา เพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งปัญหาเพราะมีความดับแห่งปัญหาจึงมีความดับแห่งอุปทานเพราะมีความดับแห่งอุปทานจึงมีความดับแห่งพุภ์เพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั้นแหละชนามระนัสกบาลิเทวทุกขทุกนะ อุปยาศ ท, ยทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้นพระสูตรต่อไปได้เลยใช่ค่ะเจริญอาณาปานสติชื่อว่าไม่เหินหายจากฌานค่ะพิกเสดทั้งหลายพิกเสดทั้งหลายถ้าพิกษสเจริญอาณาปานสติในชั่วการเพียงรักนิ้มี ภิกษุนี้เรากล่าวว่าอยู่ไม่เห็นห่งจากฌานทำตามคําสอนของพระเสดาปฏิบัติตามเอว่าทไม่ฉันบินทบาทของชาวแว่นแคว้งกล่าจะเปวยกอไปไปยัยถึงเม่อกระทำเฉิงผู้กระทาให้มากซึ่งอานาปานสตินั่นเราอันนี้ก็เป็นอีกพระสูตรหนึ่งเป็นอ่าแถมอีกพระสูตรหนึ่ง อ, อีกไหมคะอ่ามีอีกเชิญน้องน้งบุญเลยคะ่ะ คามานี้เพราะเหตุว่าถึงนี้ค่ะจากข้าใจทั้งที่เราถ่ายแปลงสัตวดเดียวนั่นก็ยังจะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่กนและความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นตลอดกาลนานคัสาธุค่ะคุณมีสุขเันดาราช่อง3ามี่เป็นดาราช่องวัดแมพนะคะ website ์เวลายด์วัดแมพดอททุกวันเสาร์ตอนค่ำ เปิดมาน้องน้ําบุญไม่ได้พูดอย่างเดียวนะคะตั้งคําถามได้ในพระสูตรต่างๆที่ได้ท่อมาจากบ้านด้วยเมื่อกี้เราฟัง่เขาแถมนิดนึงก็คือพระสูตรที่น้องน้ำบุญเนี่ยอะไรท่านอาจจะไม่ทราบว่าพระสูตรสองพสูตรแรกที่เป็นปฏิจจสุบาติกฎอิทัพยตาแล้วก็ปฏิจจสายเกิดสายดับเนี่ยจะเป็นบทที่พระาศาสดาของเราเนี่ย สาธยายด้วยพระองค์เองเวลาที่พระองค์ อ, อยู่วิเวกหลีกเล่นผู้เดียวก็เหมือนกับถ้าพระองค์จะสวดมนต์ก็จะสวดบทนี้นั้นถ้าอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัทของเราต้องการจะสาธยายธรรมหรือสวดมนต์ตามพระผู้มีพระภาคเจ้าก็คือสวดตรงนี้เลยสวดกฎอิทัพปัจจยาตาสวดปฏิจจสุบาทวงรอบเกิดวงรอบจับคือเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นแห่งความตายและเหตุปัจจัยของการดับไปแห่งความตาย ก็คืออริสัตย์สอย่างละเอียดนั่นเองพระองค์สวดตรงนี้นะส่วนพระสูตรที่สองก็จะเป็นยินการยืนยันให้พวกเราทราบว่าแม้พวกเราเนี่ยจะอยู่กับลมหายใจช่วยการเพียงรัดนิ้วมือมแม้เวบเดียวเน่อานมือมาลัดแค่นี้พระองค์ก็สรรเสริญแล้วส่วนพระสูตรที่3จะเป็นการให้เราได้ทราบว่าพระองค์บอกว่าขอให้รู้ธรรมของพระองค์แค่บทเดียวเท่านั้นแหละ แค่นี้ก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแกเราทั้งหลายตลอดกลาลนานไม่ต้องรู้เยอะก็ได้เป็นพระผู้สูตรเหมือนกันน ะ, ะสาธุนะครก็เป็นการให้ท่านทั้งหลายได้รู้จักพระสูจร์ที่น้องน้ำวุ้นได้สาธยายไปน้องวุ้นสาธยายพิสูตรที่พระพุทธองค์ได้ตัดเอาไว้เป็นภาษาไทยไปแล้วทีนี้ในบางบทที่น้องวุ้นได้สาธยายไปเราจะมีภาพภาษาอังกฤษด้วยนะคะจากน้องคนเก่งถัดไปน้องเจเดนฟาน จะท่องะสูตรหัวใจปฏิจจสมุปบาทกฎอิทธิปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทสายเกิดสายดับภาษาอังกฤษทั้งหมด Please New excess dependent ination, When this exists that comes be with the origination that arousal arises when this not that this this sun With When come cessation of to of not does not come be, with the with the of this exist is With Dependent origination with i g n o r a n c i as condition, formation of formation with formation of formation as condition, consciousness with consciousness as condition, name and form with name and form as condition, the six s n d b a s i s with the six o n s b a s i s as condition, contact with contact as condition. f e e with feeling as commission, craving with craving as commission, craving with craving as commission, existing with existing as commission, birth with birth as commission, aging and death, sorrow, limitation, pain, addiction, and despair come to be. Such is the origin of this whole mass of suffering. w o t h the remainder fading away, and cessation of ignorance comes cessation of relational formation. With the cessation of relational formation, cessation of consciousness. w i t the cessation of consciousness, cessation of name and form. With the cessation of name and form, cessation of the six sense bases. With the cessation of six Sensation of contact. What the s e s a t i o n of contact? Sensation of feeling. What the sensation of feeling? Sensation of, of craving. What the s e s a t i o n of craving? Sensation of cooling. What the sensation of c o o i n g Sensation of e x i s t e n e What t h ความกระหายของสิ่ง e ี่ต้อรควมกของความควระหองสายของยของวาามกระหมสุกระขงามสุขคอคุคยาุ า, actually, maison, meet, าะองคสกรคมมยอความคระหาองกยมกยขวาางกขงาาะคะกคอครองยยวากยคาา ถัดไปยังมีอีกนะคะสำหรับน้องเฟิร์นใช่ั้มคะน้องเฟิร์นน้องปริจจตัวช้าเงินพิสุทธิสิ้นนันทิสิ้นราคะเชิญค่ะสัมมาปสังนิพินธติ mm hmm. เมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่มเบื่อหน่ายนันทิขยาราคคโยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะ ราคะขยานันทิคโยเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทินันทิราคะขยาจิตตังสวิมุตตันติปุจจติเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้ก็แถมพระสูตรนี้ก็คือเป็นเป็นพระสูตรที่ที่เอ่อ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไปมากเรื่องของนันทิแล้วเราก็พระองค์ตัดเรื่องใดมากเราก็จะพูดเรื่องนั้นมากตามพระองค์ก็คือเดินตามรอยพระบาทเพราะนั้นเรื่องนันทิเป็นเรื่องเรื่องหลักที่เรื่องหนึ่งที่พระองค์สอนนะและพระสูตรนี้ก็จะเป็นการยืนยันว่าแค่ละนันทิอย่างเดียวเนี่ยจิตสามารถหลุดพ้นเข้ามาผลนิพพานได้เลยนะเป็นพระสูตรที่สั้นๆที่เรา เป็นเหมือนเป็นคีย์เวิร์ดสั้นๆของพระาศาสดาที่ถ้าเราทรงจำไว้แล้วนำไปปฏิบัติเนี่ยเราสามารถหลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายได้ค่ะก็เป็นพสูตสำคัญถัดไปนะคะจะเป็นน้องผู้ชายเด็กชายโศกเด็กชายภูรินช้างเงินหมดความพอใจก็สิ้นทุกเชิญค่ะะติยาอัสติตาคติคตินะโหติเมื่อการน้อมไปไม่มีการมาและการไปย่อมไม่มี อาคติคติยาอาสติจุจูปปาโตนะหูติเมื่อการมาและการไปไม่มีการเคลื่อนและการหยุดนิ่งย่ำไม่มีการเคลื่อนและการเกิดขึ้นย่ำไม่มีจุจูปปเาเตอสติเนวิทัตนะหูลังณอุพยมันตะเลเมื่อการเคลื่อนและการเกิดขึ้นไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในระหว่างแห่งโลกทั้งสอง เอเสวันโตทุกขานะนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์ละพระสูตรนี้ก็เป็นพระสูตรที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเป็นพระสูตรที่ขยายถึงว่าขณะที่เราอยู่กับลมหายใจเนี่ยนะจิตไม่ได้อยู่กับลมหายใจตลอดจิตจะมีการมาการไปดันั้นขณะที่จิตเนี่ยมีการมาการไปจะมีการตายและมีการเกิดพระศาสดาจึงให้เราเนี่ย พยายามหยุดการมาการไปของจิตก็จะได้หยุดการสร้างการเกิดนั่นเองด้วยการที่อยู่กับลมหายใจแล้วถ้าจิตเคลื่อนออกจากลมหายใจไปให้ละนันทีคือความเปลนินแล้วกลับมาอยู่ที่ลมหายใจเหมือนเดมิมเพราะฉะนั้นการมาการไปของจิตจะน้อยที่สุดนะพระศาสดาจะให้อยู่กับลมหายใจจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายของชีวิตนะนั้นพระสูตรทั้งหมดที่ให้เยาวชนของเราสาธยามานี้ก็คือ ให้สาธยายในพระสูติที่สำคัญสำคัญ ส, สั้นๆง่ายๆที่เราสามารถจะนำไปสรงจำแล้วก็สาธยายเรื่อยๆได้และนำไปใช้ในการประพฤติปฏิบัติได้จนตลอดชีวิตนจนกระทั่งเวลาสุดท้ายของชีวิตได้ก็เรียบร้อยอขอบคุณมากเลยค่ะกรับพระอาจารย์แล้วขอพื้นที่ตรงนั้นนะคะสำหรับหลานๆช่วยกรินาหันกลับไปกราบ พระคุณเจ้าทั้งหลายแล้วเดี๋ยวออกมาหาคุณป้านะคะท่านที่เคารพไทยในลําดับต่อไปเราจะนําท่านทั้งหลายเข้าสู่กระบวนการเริ่มต้นของพิธีการเทียรเล็กเทียรน้อยจนนาไปสู่การถวายภาพระกรินในพิสุทนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเราจะมีขั้นตอนของการที่จะถวายสังฆทานปจัจจัยเงินทองอันเนื่องด้วยกระถิน และก่อนที่จะถึงตรงนั้นซึ่งดิฉันจะมีคุณนังสนมารับหน้าที่ในการช่วยดาเนินการขออนุญาตที่จะกล่าวถึงผู้ที่มีจิตศรัทธาบริจาคแต่ไม่ประสงค์จะขึ้นมาอยู่ข้างบนเวทีคือมาขึ้นมามอบกับพระอาจารย์นะคะสองรายด้วยกันท่านแรกจะเป็นคุณอาคมและคุณพาวินีจันทคุณซึ่งมีศรัทธาสร้างกุฏิถวายสงจานวนหนึ่งหลังขออนุโมทนาค่ะ ส่วนท่ามที่2คุณสิริพรสุสมาคุะวงศจากบริษัทซ u เปอร์วิชไทยแลนด์จำกัดกับคุณสิริวัลสีวิมลวัฒนาบริษัทเมเจอร์วันทราเวลจำกัดและครอบครัวตลอดจนญาติพี่น้องสร้างกุฏิถวายสมจจำนวนหนึ่งหลังเช่นกันขออมุโมทนานะคะและสำหรับลัาดับต่อไปนี้ดิฉันขอ โอกาสพระคุณเจ้าทั้งหลายที่จะเด็กตัวคุณนั้งสนอมรุการได้ทำหน้าที่พิธีกรในช่วงต่อจากนี้ไปเลยค่ะแข็ง okay. สวัสดีนะคะต่อไปเราก็จะเริ่มเข้าสู่ของขัง้นตอนการกล่าวถวายสังฆชานและก็เงินทองอนุอนุ่งด้วยเหแห่งกระถินเต่าจนถึวผ้ากรถินเลยนะคะขอทุกๆ ท, ท, ท่านนะคะได้โปรดตั้งจิตนานะคะ พร้อพร้อมกับขณะที่ดิฉันกล่าวถวายค่ะแบบนี้ได้มาถึงกระม่มลาละทานคืนับแต่วันแรกหนึ่งค่เดือน11ไปจนถึงวันขึ้น15ขั้าเดือน12เป็นการที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงมีพุทธานิญาตให้ภิกษุในธรรมวินยัยซึ่งอยู่จำพรรษาครบสามเดือน สามารถรับผ้าใหม่จากทายกผู้ศรัทธาเพื่อนำมาผัดเปลี่ยนผ้าเก่าได้ข้าพเจ้าใคร่ขออันเชิญพุทธวจะนะอันเป็นอนิโนธนากถาที่พระผู้สุคศาสดาได้ทรงตรัสไว้ในครั้งพุทธกาลว่าผู้มีปัญญารอบรู้และปาศากความเจรีีย่อมผไหยทานตามกาลสมัย แกพระอริยเจ้าผู้ประพฤติตรงคงที่เมื่อเธอมีใจเลื่อมใสศรัทธาแล้วทักกินาทานนั้นย่อมมีผลอันไพบุญชนทั้งหลายเหล่าใดร่วมอนุโมทนาหรือช่วยกระทำการขนขวายในทานนั้นก็จะมีส่วนแห่งบุญด้วยเมื่อบุคคลไม่มีจิตท้อถอยทานนั้นย่อมมีผลมากบุญที่ทำแล้ว ย่อมเป็นที่พึ่งของเธอทั้งหลายในการข้้งหน้าแลข้าพเจ้าขอกราบเรียนต่อคณะสงฆ์วัดนาป่าพงในฐานะสมณะสักยะปุตติยะบุตรอันเกิดจากพระโอษของพระพุทธเจ้าและเป็นผู้งอกงามในธรรมวินัยที่องค์สัมมาสัมพุทธะได้ทรงแสดงแล้วโดยมีท่านพระอาจารย์คึกฤทิโสธิโลเจ้าอาวาสวัดนาป่าพง ได้กรุณาเป็นตัวแทนของภิกษุสงฆ์รับมอบเจตนาในการถวายทานจากพวกเราทั้งหลายณบัดนี้พวกเราทั้งหลายเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคผู้มีสมณธรรมอันสำเร็จแล้วทรงบรรลุคุณที่ควรบรรลุเป็นผู้ตัดสูุเองโดยชอบเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิ ช, ชาลรจรณะ เป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีอย่างไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพวกเราทั้งหลายขอประกอบทักขินาชาญด้วยการถวายสังฆทานและเงินทองอันเนื่องด้วยเหตุแห่งกระถินนี้แด่พระภิกษุสงฆ์แต่เนื่องด้วยเงินทองเป็นของอันไม่สมควรแก่ภิกษุในการที่จะรับหรือให้รับหรือยินดีที่เขาเก็บไว้ให้ พวกเราทั้งหลายจึงขอมอบเงินทองนี้ไว้แก่วัยาวัจกรผู้กระทำกิจธุระแทนสงผู้ซึ่งเป็นตัวแทนของพวกเราในการที่จะดูแล ร, ร, รักษาเงินทองนี้ให้ปลอดภัยและยังประโยชน์ในเงินทองนั้นให้แปลเปลี่ยนเป็นไปเพื่อปัจจัยสี่อันมีจีวอนบินธบาตเสนาสนะเพษัฏ และสิ่งจำเป็นอันควรต่อสมณบริภคตามธรรมวินัยตามความประสงค์ของพระคุณเจ้าและคณะสงฆ์เพื่อยังความผาสุขความดำรงอยู่ได้ของชีวิตแห่งสง์ในเขตสีมาอารามแห่งนี้ทั้งเพื่อยังความเจริญความงอกงามไพยบณ์และความมั่นคงถาวรของพุทธศาสนาสืบไปด้วยกุศลผลบุญที่พวกเราทั้งหลาย ได้กระทําในครั้งนี้ขอจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเจริญได้ดวงตาเห็นธรรมสำหรับสาเร็จผลอย่างพระนิพพานในอนาค ต, ตการอันใกล้นี้เถิดสาธุต่อไปจะเป็นคำกล่าวถวายภากฐถินนะคะพวกเราทั้งหลาย ขอแสดงความนอบน้อมสักการะบูชาแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะพวกเราทั้งหลายได้อาศัยพระผู้มีพระภาคจึงประกอบพร้อมไปด้วยความเรื่อมใสยอย่างไม่วันว่นวายในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์บัดนี้ได้มาถึงกฐถินการละทานแล้วพวกเราทั้งหลายขอน้อมถวายผ้ากฐถิน และของอันควรต่อสมณบริโภคแดบบ่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาการท่วนไตามาร์นักเขสีมาวัดนาป่าพงขอพระภิกษุสงฆ์ได้โปรดรับมอบผ้ากระถินทั้งหมดนี้อันเป็นชานบริสุทธิ์จากพวกเราทั้งหลายเพื่อนำไปตัดเย็บย้อมและการกระถินเพื่อสังาคาาเมคีและความผาสุขแข่งสง์ ตามธรรมวินัยที่พระศาสดาบัญญัติไว้ด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวขอให้พวกเราทั้งหลายได้ประสบแต่ความสุขความเจริญและได้อานิสงส์แห่งกะถินชาในครั้งนี้และให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้ด้วยเธินภากะถินทาน กับทั้งผ้าอานิสังสาบริวารทั้งพวงนี้เป็นของอุบาสกอุบาสิกาผู้มีจิตศรัทธาแสดงเจตนาถวายผ้ากรถินและได้พร้อมเพียงกันนำมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาท่วนไตรามาสในอาวาสนี้ก็แลผ้ากรถิ่นทานนี้เป็นของบริสุทธิ์ดุดเลื่อนลอยมาโดยนภาากาศ แล้วแลตกลงในที่ประชุมสงฆ์จะได้จำเพาะเจาะจงลงว่าเป็นของภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็หาไม่ได้มีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปหนึ่งผู้มีจีวรเก่าและประกอบด้วยศีลสุตตาทิคุณมีสติปัญญาสามารถภิกษุรูปนั้น จึงสมควรเพื่อจะทำซึ่งกระถิ่ น, นัทธารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตได้บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่ภิกษุรูปใดจงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปนั้นผ้ากระถิญ น, นทานกับทั้งผ้า อ, อนิสังส บ, บริวานทั้งปวงนี้ข้าพระเจ้า พิจารณาเห็นสมควรแก่ภิกษุมาร์ชาควโรเป็นผู้ซึ่งมีจีวรเก่าและเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อจะกระทำกระถินนัดฐารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้หากภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควรจงทักท้วงขึ้นในท่ามกลางสงนี้ หากเห็นสมควรแล้วไซขอจงให้สัทสัญญาสาธุการขึ้นให้พร้อมการเทินสาธุค่ะท่านจะเห็นภาพของการที่เจ้าหน้าที่นะคะได้ลาดผ้าขาวจากบริเวณโต๊ะที่จะรับผ้ากระถินไปสู่พระภิกษุที่จะรับผ้าแล้ว ดังนั้นในลําดับต่อไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นการที่เรียนเชิญให้ท่านทั้งหลายค่อยๆทยอยกันมาทอดผ้ากันทีละแถวนะคะท่านชั้าผ้าทุกท่านนะคะกรุณาทยอยลุกกันขึ้นมาแล้วก็ประเคนผ้านะคะถวายจงบริเวณโต๊ะกลางที่เราได้จัดไว้ให้ท่านนะคะแล้วก็เมื่อประเคนผ้าถวายเสร็จแล้วนะคะขอความกรุณากลับไปนั่งเก้าอี้ของท่านเช่นเดิมนะคะเพราะว่า เมื่อถวายพ่าครบทุกท่านแล้วเนี่ยเราจะต้องรอยพระท่านกล่าวอนุโมทนากรค่ ะ, ะเดี๋ยวญาติโ ย, ยมอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายก็ตั้งใจรับพร น, นะอายุโตพาละโทติโร วันนโทปฏิปานโทสุขสสทตาเมธวีสุขังโอธิคัชติอายุงทตะวพลังวันนางสุขัจบปฏิปานโททีขายุยาสวาโฮตียตยตุปปะชติติกาเลททตันติสัพัญญาวันยูวิตามัจจา กาเลนตินังอริเยสุจูปุเตสุตติสุวปัสสนามานัสสาวิภุลาโอติทกินาเยตัถานุโมทันติเวยาวจังกรุติวานาเตนทกินาโอนาเตปิปุญสปะกินโอตัสมทเทอปาติวานจิตโตยะตินังมหพลัง ปุญญานิปัลลาโลกัสมิงปาติธาโอนติปานินันติก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายที่มีจิตศรัทธามาร่วมถวายป้ากฐินนะได้ทําบุญทำสมาธิได้สั่งสมสุตตะในวันนี้ก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเราทั้งหลายมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตคิดหวังสิ่งใดให้สําเร็จสมความปรารถนาและที่สุดขอยได้ดวงตาเห็นธรรม สำเร็จมรรคผลนิพพานในนาคุตการอันใกล้โดยทั่วหน้ากาันทุกท่านทุกคนเทินค่ะก็เป็นอันว่าการทอดกระถินของพวกเรานั้นได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะตอนนี้ดิฉันก็ขอกราบนิมนต์พื่คุณเจ้าได้พิจารณาอาหารเพื่อที่จะฉันพัตตาหารค่ะค่ะ